มงคลชีวิตมงคลที่ยี่สิบสำรวมจากการดื่มน้ำเมามัจปานาจะสัญญาโมเอตามังคลมุตตมังน้ำเมาทั้งหลายชื่อว่ามัจปานะ หรือน้ำที่ทำให้ผู้ดื่มเมาเป็นน้าที่ทำให้ตกอยู่ในความประมาทการสำรวมไม่ดื่มชื่อว่าสัญญมะรวมความว่าการไม่ดื่มน้ำเมาชื่อว่าการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาน้ำเมาสองประเภทน้ำเมาแบ่งออกเป็นสองประเภท คือน้ำเมาที่เรียกว่าสุรากับน้ำเมาที่เรียกว่าเมไรหน่งโซราได้แก่โซราที่ทำจากแป้งโซราที่ทำจากขนมโซราที่ทำจากข้าวสุกโซราที่หมักสาเล้าและโซราที่ผสมด้วยเครื่องปรุงหลายอย่าง 2. เมไร หรือน้ำเมาที่ไม่ได้กลัน่นหรือน้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือการแช่ได้แก่น้ำดองที่เกิดจากดอกไม้น้ำดองที่เกิดจากผลไม้น้ำดองที่เกิดจากน้ำผึ้งน้ำดองที่เกิดจากน้ำอ้อยและน้ำดองที่ผสมด้วยเครื่องปรุงหลายอย่างทอดของสุราและเมรยัย หนึ่งซัหมดไป 2. เป็นบอกเกิดของการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบอกเกิดของโรคต่างๆ 4. เสียเกียรติเสียชื่อเสียงและความน่านับถือทําทำให้เป็นคนไม่อาย 6. ลดทอนกำลังกายและสติปัญญา 7. ขาดสติปัญญาเครื่องยับยั้ง ย่อมทำอันตรายแก่มารดาบิดาเป็นต้น 8. ถึงความเป็นบ้าได้ 9. หลงตาย 10. ตายแล้วเข้าถึงพบที่ไม่ดีมีนรกเป็นต้นการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ไม่หลงตาย 2. มีกําลังกายสติปัญญาดี 3. ปิดกั้นความประมาทได้ 4. ทรัพย์ ส, สินคงอยู่และเพิ่มพูน 5. ห่ า, หางไกลาจากความเป็นคนบ้า 6. ไม่เกิดโรคและไม่เสียชื่อเสียง